เมื่อครูบาอาจารย์ออกจากวัดไปหนึ่งราตีกลับมาก็แปลว่านิสัยขาดต้องขอนิสัยใหม่ต้องให้นิสัยใหม่อันนี้ผมก็ลงไปทระมุวนี่แปลว่านิสัยก็ขาดแต่ตามไม่จริงพระที่มีอายุพรรษาตั้งแต่พ้นพรรษาห้าพรรษาหกขึ้นไปแล้วก็ไม่จำเป็นขอนิสัยอันนี้ก็คือพระวินัยแต่สำหรับ พวกเราเป็นพระกรรมฐานที่อยู่กับองค์หลวงตาหรืออยู่กับครูบาอาจารย์โดยมากเราก็ขอนิสัยท่านเผื่อว่าเราก็ไม่ใช้ว่าจะรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างบางทีครูบาอาจารย์ท่านจะแนะนําสั่งสอนเราเราก็ถือว่าเรายังบกพร่องอ่ะเราก็ขออนิสัยไม่เห็นผิดที่ตรงไหนอันนี้ก็คือที่ถือกันมาแล้วก็ ถ้ามีอายุพรรษามากแล้วก็ไม่ข อ, อนิสัยก็ได้แต่นี้ถ้าเราขอเนี่ยคือเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นการจยู่ร่วมกันในพรภพในแต่สําหรับพระน้อยตัย้งแต่ห้าพรรษาลงมาจําเป็นถ้าไม่ข อ, อนิสยัยปรับอบัติทุกฎแต่คราวนี้ก็พระที่จะลาสิกขาก็มีวันพุ่งนี้นะก็เลยให้ ทำให้มันถูกต้องตามหลักเพ่อธรรมวินะัยซะนะเรื่องให้ข อ, อนิสัยวันนี้ตามไม่จริงการข อ, อนิสัยผมก็ไม่ใช่ว่าจะอันนั้นจะให้ขอทุกครั้งก็เป็นที่เข้าใจกันถ้าถ้าผมสะดวกถ้าผมจะอยู่วัดนานผมก็ให้ข อ, อนิสัยถ้าว่าผมจะได้ออกไปธุระจะได้ออกไปอยู่ในช่วงนี้ก็อย่าอย่าเพิ่งขอนะไว้ก่อนถ้าเมื่อสะดวก สะดวกเมื่อไรผมจะบอกนะในการข อ, อนิสัยแปลว่าทําความเข้าใจกันนะอันนี้ก็ไม่เป็นอาบัติแต่ถ้าหากว่าทางลูกศิษย์ก็เฉยไม่ได้ความสนใจในการข อ, อนิสัยอันนั้นปรับระบาดทุกกฎแก่ผู้ที่อยู่ร่วมกันขาดความสนใจในที่จะข อ, อนิสัยอันนี้ครเป็นที่เข้าใจกันนะแล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นวันที่พระนิสิต ไม่ิดนจะได้ลาสิกขาตามกำหนดการวันที่21เมษายน2550ที่ได้บวชตั้งแต่วันที่10มีนาเป็นการอุปสมบทหมูม่ก็จะได้ลาสิกขาวันที่21เมษายน50วันคือวันพรุ่งนี้ แต่พวกเราที่เป็นนิสิตนักศึกษาบางท่านบางคนอาจจะกริ่งใจหรือว่าอาจจะไม่สนิทใจหรืออาจจะเป็นข้อคิดประจําใจแต่ไม่กล้าที่จะพูดหรืออาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องมีความสงสัยว่าการลาศิกขานั้นบางทีก็คนเกิดวันนั่นต้องลาสิกขาวันนี้คนเกิดวันนั่นต้อง บวชวันนั้นวันนี้นะให้ใคาว่าดูเลิกดูยามซะก่อนยังค่อยปวดยังค่อยลาทิศขาอันนี้พวกเราที่เป็นที่บวชในครั้งนี้ก็บวชพร้อมกันไม่รู้ว่าเกิดวันไหนแล้วก็ศึกพร้อมกันไม่รู้ว่าเกิดวันไหนอันนี้บางท่านอาจจะมีความข้องใจบางคนก็ถามว่า เลิกวันบวชกับเลิกวันศึกอันไหนสำคัญกว่ากันอันนี้ก็เป็นคำถามได้ยินบ่อยผมก็บอกว่ า, เ, าเลิกวันบวชที่สำคัญกว่าวันศึกไม่สำคัญหรอกแต่ตามไม่จริงผมว่านคือการที่จะทำคุณงามความดีนะ่ะสำคัญกว่าที่จะที่จะหลุดไม่ทำคุณงามความดีาการที่ไม่ทำความคุณงามความดีนะั้น ไม่ต้องหาเลิกอะไรก็ได้แต่ที่จะทำงามความดีนั้นควรจะหาเลิกหายามให้ดีแต่ตามไม่จริงผมก็ว่าอย่างนั้นคือเลิกกับยามในหลักของพุทธศาสนาไม่มีคาว่าเลิกงามยามดีถ้าาว่าเราจะบวชมันก็เป็นมงคลมหามงคลอยู่แล้วผู้ที่จะบวช เพราะ น, นั้นจะบวชวันไหนเวลาใดคู่ใดขณะใดเดือนใดปีใดก็เป็นมงคลข้อสําคัญจะไปบวชในเวลาที่มันฉุกละหุกมันไม่สะดวกทั้งอุปชาอาจารย์ทั้งญาติทั้งโยมทั้งตนเองมันไม่พร้อมอะเมื่อมันไม่พร้อมไปว่าเลิกเลิกไม่ดีมันไม่พร้อม ถ้าว่ามันพร้อมเมื่อไหร่นั่นละเลิกติบวชได้เวลาสึกก็เหมือนกันถ้าว่าเราสึกมันเลิกไม่ดีมันไม่พร้อมแปลว่าเลิกไม่ดีแต่ถ้าว่ามันพร้อมบรรแล้วนั่นละเลิกติเพราะกําหนดการของเราก็จะได้ลาสิกขาเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านเป็นพุทธลูกศิษย์ของพระพุทธเจา้า เชื่อกรรมเชื่อผลของกลับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะนั้นอย่าไปถือเอาศาสนาพราหมณ์มาตกแต่งในพุทธในพุทธของเราเพราะนั้นให้เชื่อมั่นว่าการกระทำของเรานั่นแหละประเสริฐถ้าหากว่าบางคนได้ลึก6กทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มท้งฝนตกยังมายกเสาเอกขึ้นมาอีก อไม่รู้ว่าลื่นหน้าลื่นหลังไม่รู้ว่ากลางค่ํากลางคืนอีกนั่นแหละแปลว่าเลิกไม่สะดวกอย่าทําถ้าขืนทําลงไปเป็นพิษเป็นภัยบางทีรถเข็นมันหกขเขมรเพราะมันลื่นในเสาหลุดใส่คนอีกทั้งที่จะเป็นมงคลจะเป็นอัปปะมงคลช่วได้ยซ้ำไปเพราะนั้นเมื่อมันสะดวกฝนไม่ตก ไม่ร้อนมากเกินไปพร้อมทุกอย่างนั่นแหละทําอะไรทําไปเลยเป็นมงคลมหามงคลวันคืนเดือนปีเลือกยามช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเราทำดีแล้วมันก็เป็นดีถ้าเราทำชั่วแล้วลืกงามยามดีขนาดไหนหาขนาดไหนก็หาลืกงามยามดีขนาดไหนแต่เราทำกรรมชั่วเราก็เข้าคุกเข้าตาราง ติดคุกติดตารางได้ง่ายเหมือนกันเพราะนั้นให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมในการลาศิกขาในครั้งนี้ก็เหมือนกันให้พวกเราเชื่อมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เชื่อหลวงพ่อเหมือนกันเถอะหลวงพ่อหวังทำกรรมดีเวลาใดคู่ใดขณะใดเวลาใดเดือนใดปีใดครูนั่นแหละเวลานั่นแหละวันนั่นแหละเดือนปีนั่นแหละเป็นปีปดีนะ ถ้าลำถ้าเราทํากล้ำชั่วแล้วก็ตรงกันข้ามกันเพราะนั้นเราอย่าไปคิดในใจเอออย่าไปวิตกในใจอย่าไปไล่เลียงในใจเออมันเพราะเป็นเพราะเหตุนี้เองเป็นเพราะเหตุนั้นเองเอเราจรึงเป็นอย่างนี้อย่างนั้นพราะเราบวชศึกไปเป็นเวล่ำเวลาเออหลอไม่ดียางไม่ดีอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นแปลว่า ม, มันเป็นแผลในใจไม่ต้องคิด เราเชื่อพระพุทธเจ้ากรรมดีกรรมชั่วมันเป็นได้ทุกอย่างนั่นนะ่ะถึงขา้าวเคาะท้าวข้าวเห็นเห็นเป็นเป็นไปได้ถึงจะหมอดูหมอเราขนาดไหนก็เถอะถึงค้าวแล้วก็ไม่เห็นใครอยู่ชั่วฟ้าดดินสลายตายไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยมาแล้วถ้าว่าดูดีๆกันอายุยืนร้อยร้อยปีพัน ป, นปีหมื่นปีดูสิเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้แหม่เพอเพอหมอดูตายก่อน พวกหมอไปดูมีต่างเยอะแยะไปสิ่งเหล่านี้ต้องเราเราต้องเอาหลักเหตุผลเข้ามาเป็นเครื่องปฏิบัตินะเพราะนั้นพวกเราที่เป็นพระที่จะลาสิขาวันพุนี้ก็ให้มั่นใจให้เชื่อในพระพุทธเจ้าประธรรมประสขเชื่อในคุณงามความดีหรือเราจะต่อไปภายภาคหน้าก็ตามถ้าเราจะปลูกบ้านปลูกเรือน ถ้าเราจะทํำนะก็เออเอาจุดทูบเทียนจ้ะอบอกภูมิเจ้าที่ทุกคะภูมะเทียวดาเนะาผู้ข้าจะสร้างบ้านจุดีติอขอให้มาช่วยดูแลเป็นสิริเป็นมงคลข้าพเจ้าสร้างมาแล้วก็เอามาอยู่ใครจะมาอยู่มาอยู่ด้วยปิญญาณขอให้ร่มเย็นเป็นสุขขอให้ข้าพเจ้าร่ํำรวยโชคดีอขอให้ภูมะลุคะเทียวดาคุ้มครอง เพียงแค่นั้นพอแล้วอ่า้วยอำนาจพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์คุ้มคุ้มครองไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องหาหรือหาอย่าบนั่นแหละเป็นมงคลมาหามงคลอย่างยิ่งนะถ้าเราจะทําบุญแล้วระทําบุญะนะให้พระสวดพระปริญทะมงคลให้เราจะได้ฟังอพระค า, า, า, าถาของพระพุทธเจ้าพระคาถาของพระพุทธเจ้าเป็นมงคลอยู่แล้วถึงจะกล่าวคำหนึ่งสองคำก็เป็นมงคล ถ้ากล่าวคําไม่ดีมีทั้งดามีทั้งแช่งมีทั้งเออดาฉักหักกระดูกถึงจะกล่าวเป็นร้อยเป็นพันเป็นพึ่งกล่าวเป็นเดือนเป็นปีมันก็ไม่เป็นมงคลเออมันก็เป็นอับปามงคลนะถ้ากล่าวคําดีกล่าวพุทโธธ ร, รมโมสังโฆกล่าวคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณทั้งหลายเี่ยกล่าวคำสองคาก็เป็นมงคลมหามงคลเพราะนั้น ให้เชื่อกรำเชื่อผลของกลรรัมกลัมคือการกระทําของเราเนะ น, นี่ยอันนี้ก่อนที่จะเตรียมลาสิกขาและก็พร้อมการก็ให้พระเตรียมพร้อมโดยการนะ่สีองค์ให้จัดองค์ไหนขึ้นมานะอันนี้ก่อนที่จะบวชนะ่ะหลวงพ่อก็ได้ประถมฤทธิ์ว่าการเข้ามาบวชควรทําตัวอย่างไรเนะี่ยก่อนที่จะลาสิกขาหลวงพ่อก็ได้กล่าวอีก ว่าเมื่อเราจะลาสิขาไปพวกเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรหลวงพ่อก็ได้กล่าวเรื่องเลือก ง, งามยามดีให้แก่พวกเราได้ยินนะแล้วก็วันพวกนี้เนะมื่อมาถึงสราก็ให้แสดงอาบัติให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินะัยเอาผ้าสังขาติมาด้วยแล้วก็แสดงอาบัติให้พร้อม จากนั้นก็เมื่อแสดงอบัตเสร็จแล้วก็ขึ้นมาจลาดก็ตั้งจิตตั้งใจว่าข้าพเจ้าจะลาสิกขาตามหมายกำหนดตามหมายกําหนดการที่ได้กาหนดได้ตั้งเอาไว้ั้าว่าเราไม่มั่นใจแล้วว่าเรากล่าวไม่ด้วยไม่ออกมาจากใจจริงถ้าเรากล่าวชั้นได้ว่ากล่าวอันนั้นเป็ว่ากล่าวร้อยครั้ง ก็ไม่เป็นอันกล่าวราศิกขาแต่ถ้าเรากล่าวด้วยความตั้งอกตั้งใจกล่าวเพียงครั้งเดียวก็เป็นอันกล่าวราศิกขาอันนี้ก็คือพระวินัย น, นี่ก็เข้าใจเอาไว้และก็พร้อมกันก่อนที่เราจะออกจากเสนาสนาสง์ที่เราได้ใช้อะไรไปบ้างเสื่อสาหมอนผ้าหม่มมันเป็นสิ่งสกปรก เราก็ควรจะทําความสะอาดให้เรียบร้อยสก่ัดหรือว่าซักอะไรมันเรียบร้อยแล้วก็มอบเสนาสนะสงูงมอบเสนาสนะให้แก่พระสงฆ์ท่านไม่ใช่ว่าเราทําสกปรกแล้วก็ทิ้งเกลื่อนไปแล้วก็ให้เป็นภาระของพระสงฆ์อันนั้นไม่เป็นผลดีไม่เป็นมงคลถ้าทําอย่างนั้นที่จะเป็นมงคลต้อง เก็บกวาดทําทความสะอาดที่พักพ้าใสของตนเองให้เรียบร้อยาการนั้นของมอบเสนาสะนะให้แก่พระสงฆ์ครูบาอการดูแลเสนาสะนะต่อไปนะกับผมได้จัดเรียบร้อยแล้วเนีพราะนั้นคนโบราณเขาจึงพูดที่จะลาศิกขาพอลาศึกออกไปแล้วเขายังให้ล้างห้องน้ําห่องส้วบทําความสะอาดเจ็ดวันซะก่อนเดี๋ยวค่อยออกจากวัดเพราะเหตุใดก็คือ ดูความเรียบร้อยทุกอย่างอันนี้พวกเราก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก่อนที่จะออกไปให้เรียบร้อยพอสมควรนะแต่ น, นี้ก็พวกเราคงจะทํากันเรียบร้อยแล้ละ่ะอันนี้ผมพ่อเป็นการกล่าวย้ําเตือนเพราะรุ่นก่อนๆ ก, ก, ก็ได้ทํากันมาแล้วก็พวกเราท่านทั้งหลายก็คงได้ยินได้ศึกษาที่ผมได้พูดไว้นะอันนี้ก็คงจะเรียบร้อย แล้วก็วันพุ่งนี้ประมาณทักตีห้ากว่าจวนจะสว่างนะให้พร้อมกันลงมาแสดงอาบัตแล้วกผมก็คงจะลงมาในช่วงนั้นจากนั้นก็ไดว้วายพระย่อจากนั้นก็กล่าวคำลาสิกขาลาสิกขาเสร็จแล้วก็อาราธนาสินรักษาสิน รับสินห้ากับพร้อมพระไตรสารนะขมราชสีหามาอยากง่ายนิดเดียวใช้เวลาไม่นานจบแล้วจากนั้นก็ทานโอ่งอาหารเสร็จเรียบร้อยดูความเรียบร้อยเสร็จแล้วเดินทางกลับกรุงเทพก็ให้เดินทางกลับด้วยความสะดวกและปลอดภัยที่พวกเราได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเป็นเวลาเดือนกว่าอะ แล้วก็หลวงพ่อเองก็ไระได้หนักใจสําหรับพวกลูกหลานที่มาบวชหลวงพ่อมองเห็นแล้วก็เป็นผู้ตั้งใจมองเห็นพวกลูกหลานพระลูกพระหลานที่มาบวชก็เป็นผู้ตั้งใจสนใจหลวงพ่อเองก็ไม่มีอะไรสบายใจกับพระลูกพระหลานอย่างต่อไปที่ว่าคงจะเป็นทายาทของพระพุทธศาสนา อย่างน้อยก็เป็นพุท ธ, ธรรมะกะพุทธบ ร, ระะิษัทที่ได้ศึกษาธรรมะในบวชในพระพุทธศาสนาในมาบวชในวัดหลวงพอ่อได้มาศรรมะกะึกษาเป็นเวลาเดือนกว่าแต่ขึ้นยังไงก็ตามหลวงพ่อขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคนที่ลาสิกขาไปแล้วก็ให้นําธรรมะไปประพฤติธปฏิบัติให้นานเท่านานอันนี้หลหลวงพ่อขอฝาก ก่อนหลับก่อนนอนก็ให้ไหว้พระสวดมนต์สัก่อนถึงจะมีเวลาน้อยก่อนนอนก็ว่ากราบสามครั้งพุทโธธรรมโมสังโฆและลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงจะไม่มีพระพุทธโรคแล้วก็กราบที่หัวนอนของเราและลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พร ะ, พระพคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกแห่งหนอยู่ที่ใจของเราเพราะนั้นก่อนที่เราจะหลับนอนแล้วก็กราบ ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสก่อนจากนั้นก็กล่าวสรรเสริญอรหังสัมมาสวาคาโตสุปฏิปโนนโมตสะข อ, อนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้เพียงแค่นั้นจากนั้นก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผูอ้อื่นสัตว์อื่นสรรพสัตว์ทุกวิญ ญ, ญาณทั่วไตรโลกธาตุขอขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการข้าพเจ้าปรารถนา เข้าไปเจ้าต้องการปรารถนาความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นบินยานอื่นทั่วไตรโลกธาตุก็ขอให้ได้ขอจงประสบความสุขอย่างที่เข้าไปเจ้าต้องการอย่างอย่างต่างที่เข้าไปเจ้าปรารถนาอันนี้ใครเข้าตนเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขอันนี้ก็คือก้อนหลัก่อ น, นอนให้พวกเราน้อมนึกคิดอย่างนั้นะ ข้าว่าพวกเรามีเมตตาในจิตในใจหลับและตื่นก็เป็นสุขฝันก็ไม่ร้าย ใ, ใครที่จะมาคิดเบียดเบียนเราจะผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรเราเขาเหล่านั้นก็ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรเราไม่ติดเพราะเรามีเมตตาเราให้อภัยเขาอยู่แล้วอันนี้แหละจิตที่มีเมตตา มีแต่ความสงบโปร่งเย็นเป็นสุขนะจากนั้นของเราก็ปฏิบัติอย่างที่เรามีเมตตาด้วยเราพอที่จะช่วยสิ่งใดเขาได้ไม่เดือดร้อนตนและผู้อื่นเราพอที่จะช่วยเหลือแนะนําสั่งสอนอย่างไรช่วยเหลืออย่างไรเราไปช่วยเหลือเขานะด้วยจิตเมตตานะเพราะฉะนั้นนะขอฝากไว้กับนะลูกหลานทุกๆ ท, ท่านที่เข้ามาศึกษาในวัดหลว ง, งพ่อนะ แล้ว ก, การที่เขามาศึกษาในวัดหลวงพ่อเป็นเวลาเดือนกว่าหลวงพ่อเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าในวัดหลวงพ่อนี่จะสมบูรณ์แบบทุกสิ่งทุกอย่างหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่เมื่อคือนนี้ก็ได้ถามไถ่ในความเป็นอยู่ความเห็นของพระใหม่เรียงลําดับกันว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในการที่เขามาบวชในครั้งนี้ได้ กำไรขาดทุนอย่างไรอันนี้ก็หลวงพ่อถามหลวงพ่อเองก็ไม่ได้คิดว่าลูกหลานอาจจะพูดถูกต้องบางบางสิ่งบางสิ่ ง, บา ง, งบางอย่างอาจจะไม่ออกมาจากใจจริงก็ได้แต่ว่าพูดในที่สาธารณะแล้วก็ต้องพูดตามให้มันชละสรุ่ยให้มันเป็นให้มันถูกต้องเพื่อให้มันผ่า น, านไปถ้งว่าลูกหลาน พูดว่าผมไม่ชอบนี้ผมไม่ชอบนี้มันกระชักกระไลยอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อกับที่ถามไปแล้วก็หลวงพ่อก็ยังแอบไม่ได้คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นถึงร้อยเอร์เซ็นต์หรืออาจจะเกินร้อยหรืออาจจะไม่ถึงร้อยแอบก็ได้อันนี้ก็ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวท่านผู้ตอบนะถ้าว่าท่านผู้ตอบออกมาจากใจจริงหรือว่ายังตอบยังไม่ถึง กับความที่ได้ประสบพบเห็นดังนั้นก็อาจจะมีหรือว่าความไม่พอใจอยู่ในใจของเรามีอยู่แต่เราไม่กล้าพูดจุดนั้นออกมาเราก็พูดออกมาเพื่อให้มันถูกชละสระุปในการอยู่ร่วมกันที่อยู่วัดของท่านจริงตอนนี้ก็เราก็ไม่สามารถที่จะยัลึกถึงจุดนั้นได้แต่ถึงยังไงก็ตามในฐานะที่หลวงพ่อเป็น เจ้าของวัดเป็นเจ้าของอารามแห่งนี้ทางว่าสิ่งใดก็ตามที่ยังขาดตกบกพร่องหรือว่าสิ่งที่ไม่เหมาะสมหลวงพ่อเองก็หวังว่าได้รับอภัยจากพวกลูกหลานทุกๆ ท, ท่านเหมือนกันนะหวังว่าได้รับอภัยจากลูกหลานที่ว่ามันสิ่งใดที่มันขาดตกบกพร่องแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อก็พยายามทําให้สมบูรณ์ที่สุดให้ดีที่สุด แนะนำให้เป็นธรรมที่สุดแต่บางคําพูดแต่บางคํามันอาจจะไม่สบอารมณ์หรือสบใจของพวกท่านทั้งหลายก็อาจจะมีอยู่บ้างเพราะหตวงพ่อพูดเยอะเหลือเกินอนะแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็เจตนาดีถึงจะพูดเป็นคําไหนออกมาก็ตามก็เจตนาดีเพื่ออยากจะให้ลูกหลานได้ศึกษาได้ฟังได้ฟังแล้วก็ สิ่งที่ไม่พอใจก็ตามก็ให้นําไปคิดไปวิเคราะห์ดูว่าที่ได้ยินวันนั้นคาพูดคํานั้นก็เอาไปวิเคราะห์ดูเถ้าว่าวิเคราะห์ดูแล้วไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ก็ทิ้งซะถ้าว่าเอาไปวิเคราะห์ดูแล้วเกิดสาระประโยชน์เราก็นําไปปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของพวกพวกท่านทั้งหลายหลวงพ่อเองมีจะพูดออกไป หลวงพ่อก็ไม่ได้มุ่งหวังอะไรจากพวกท่านทั้งหลายมีแต่ว่ามาสู่สำนักสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์หลวงพ่อก็แนะนําสั่งสอนให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดการแนะนําสั่งสอนก็คิดว่าพวกท่านทั้งหลายต่อไปภายภาคหน้าจําเป็นทรัพยากรชั้นเยี่ยมของชาติเพราะจะได้เป็นผู้ดูแลคนในชาติเวลาเก็บใข้ได้ป่วย พวกท่านทั้งหลายคนจะได้รักษาคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นที่พระสิบขัวรูปเนี่ยที่เป็นมิสิดนักศึกษาแพทย์สิบขัวรูปหลวงพ่อว่าคงจะได้รักษาคู่คนเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะฉะนั้นทางว่าพวกเราที่หลวงพ่อแนะนําสั่งสอนไปเรื่อกศีลธรรมคุณธรรมศรีลธรรมจริยธรรมพวกเราอยู่ในกรอบของธรรมะแล้ว พวกเราก็คงจะปฏิบัติตามนั้นในเมื่อปฏิบัติแล้วความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดกับพวกผู้ปฏิบัติก่อนผู้ปฏิบัติก่อนจากนั้นก็ร่มเย็นเป็นถูกต่อพี่น้องปวงประชาที่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะนั้นที่คาพูดของหลวงพ่อที่แนะนาสั่งสอนมีหลายเรื่องลหลายราวหลายรสหลายชาติ หลวงพ่อก็จนจำไม่ได้ว่าได้พูดอะไรไปบ้างพอพูดทั้งเดือนออแต่ถึงยังไงก็ขอให้พระลูกพระหลานทั้งหลายนำไปคิดนำไปไตรตรองพิรณ า, าเหตุและผลทั้งว่าสิ่งไหนดีก็นำไปพุทธปฏิบัติประปรุงแก้ไขกายวาจาใจของพวกท่านแต่ถ้าว่าสิ่งไหนไม่ดีก็ทิ้งซะหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบให้ฟัง เหมือนกับมแมลงผู้มแมลงพึ่งพวกเราเปรียบเสมือนมแมลงผู้มแมลงพึ่งเข้ามาเอาเกรสรดอกไม้คือมาศึกษาธรรมะปฏิบัติในสำนักของหลวงพ่อแต่ว่าต้นไม้มันจะมีแต่ดอกผลอย่างเดียวมีแต่น้ำหวานอย่างเดียวกค ง, งจะไม่ใช่อย่างนั้นต้นไม้ ก็ต้องมีเปลือกมีกระพี้มีแก่นมีใบแก่ใบอ่อนในต้นไม้นั้นถ้าว่ามแมลงผู้มแมลงพึ่งที่ฉลาดก็มาเอาแต่เกสรดอกไม้น้ำเกสรดอกไม้ที่หวานหวานกลิ่นที่หอมเอาไปเลี้ยงรวงรังของตอนเองอันนั้นแปลว่ามแมลงผู้มแมลงพึ่งที่ฉลาด รู้จักเลือกสรรเอาสิ่งที่ดีไปใช้กับรวงรางของตนอันนี้ก็เหมือนกันที่พวกเราเข้ามาศึกษาในวัดของหลวงพ่อก็อยากจะให้พวกเรานาสิ่งที่ดีภายในวัดของหลวงพ่อที่ได้เห็นที่ได้ศึกษาการไปการมาการอยู่การฉันกดระเบียบทําความสะอาดปาดกวาดสึงไหนก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดี ก็นําสิ่งนั้นไปประพฤติธปฏิบัตินําไปใช้ในชีวิตประจําวันของตนหรือว่าต่อไปภายภาคหน้าเราอาจจะนําไปใช้ในชีวิตครอบครัวของเราหรือว่าชีวิตประจําวันของเราที่เราจะจําเป็นได้ใช้จุดไหนเราได้มาศึกษาการอยู่การกินการหลับการนอนการคบค้าสมาคมอย่างนี้เป็นต้นใครพวกเรานําสิ่งที่ดี เอาไปใช้แต่สิ่งที่มันไม่ดีหลวงพ่อคิดว่าอย่างต้นไม้มันมีทั้งใบอ่อนใบแก่มีั้งกิงแห้งกิ่งสดท้าววัาพุ่งพึ่งที่ไม่ฉลาดแมลงผู้แมลงพึ่งไม่ฉลาดนะก็ไปกัดเอากับพีเอาลากแห้งอนะเปลือกแห้งแห้งของกิ่งไม้หรือเอาใบไม้แ ก, แก่ๆเอาไปเลี้ยงลังของตัวเอง พึ่งในรังนั้นเขาคงจะบอกว่าพึ่งงานตัวนี้โง่เหลือเกินเขาคงจะดูถูกอย่างนั้นพึ่งรังในพึ่งรังนั้นอพึ่งงานตัวนี้โง่เหลือเกินทั้งที่จะไปเอาสิ่งที่ดีกลับไปเอาเปลือกไม้แห้งๆมาใส่รังตัวเองลบกลุงรังในรังอีกไม่เกิดประโยชน์อทําให้หมู่ขนทิ้งอีกต่างหากหลวงพ่อว่าไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น ใบนั้นพวกเราก็ามาศึกษาในสำนักของหลวงพ่อก็ให้นําสิ่งที่ดีมีคุณค่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนหลวงพ่อว่าคงอย่าไม่เสียทั้งหมดที่หลวงพ่อให้ไปก็คงจะเกิดประโยชน์เป็นส่วนมากมากกว่าที่ส่วนที่จะเสียหลวงพ่อมั่นใจอย่างนั้นที่หลวงพ่อพูดแต่ว่าสิ่งจะดีทั้งหมดไหมหลวงพ่อก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มั่นใจอย่างนั้นอีกเหมือนกันคงจะมี สิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ดีไม่ควรเอคงจะมีอยู่บ้างปะปนไปแต่ว่าถึงยังไงพวกเราให้เลือกสรรเอาแต่สิ่งที่ดีไปใช้กับตนเองสิ่งที่มันไม่ดีกทิ้งไว้ในวัดซนะอย่าไปเอาไปสิ่งท่านมันไม่ดีเอาไปทําไมอสิ่งที่อยู่กับปูกับเพื่อน อ, อการพูดการแสดงออกที่ขัดขวางหูของเรา เราจะไปถือไปจนถึงวันล่วงรับดับคันก็ไม่ถูกเราก็ต้องทิ้ ง, งเราต้องถือว่าโลกอันนี้มันมีหลายหลายอย่างโวัตตะสงสารมีหลายอย่างไม่ใช่มีแต่ดีอย่างเดียวเลวก็มีแต่เราจะไปเอาของเลวเอาของดีไม่ว่าอยู่ในสำนักงานไหนโรงเรียนไหนมหาวิทยาลัยไหนมีทุกแห่งทุกหนเรื่องอย่างนี้ ดีกับชั่วแต่จะว่าชั่วอย่างเดียวก็คงไม่คงจะไม่ใช่ดีอย่างเดียวก็คงจะไม่ใช่แต่ละสำนักแต่ละโรงเรียนแต่ละมหาวิทยาลัยแต่ก็ดีเป็นส่วนมากถ้ามีแต่ชั่วเขาคงจะไม่เรียนไม่เข้าไปสอนคงจะไม่เข้าไปศึกษาอันนี้ก็เหมือนกันที่พวกเราเข้ามาศึกษาเนี่ก็คงมีดี จะมีพระเนนเข้ามาอยู่หลายรุ่นหลายองค์หลายหมู่หลายคณะตลอดถึงพี่น้องประชาชน ญ, ญาติโยมอันนี้เราพวกเราก็คงจะในบวกรบคูณหารทบทวนดูให้ดีนะอันนี้ก็เป็นการบอกกล่าวย้ำสำหรับพวกผู้ที่จะเดินทางเดินทางกลับมาศึกษาจบ <c oughs> จบคอร์สไปกันเถอะอ อยู่เดือนกว่าวันที่10มีนาจนถึงวันที่21เมษายนแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะบวชก็มาอยู่หนึ่งอาทิตย์นี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องศีลและธรรมที่หลวงพ่อได้แนะนำพัมสอนมาโดยลำดับลำดับ ความรับผิดชอบนั่นเป็นอันดับแรกเพราะเดี๋ยวนี้คนในชาติของเราที่หลวงพ่อเห็นทุกระดับโดยมากขาดความรับผิดชอบมากกว่าพอทําอะไรก็ทําจะสักว่าทําแล้วก็ทิ้งเกลือแล้วก็มอบให้คนอื่นเป็นคนทําคนอื่นก็ทิ้งอีกผลที่สุดก็เลยผลเสียหายไม่ใช่เสียหายที่ไหน อันดับแรกก็คือเสียหายกับตนเองก่อนของใช้ที่ควรจะเก็บรักษาไว้ก็เสียหายไปผลที่สุดบางสิ่งบางอย่างเมื่อทำงานส่วนรวมก็ไม่มีใครรับผิดชอบแล้วก็ต่างคนต่างทีงานนั่นก็เสียหายในส่วนรวมอีกเพราะนั้นพี่หลวงพ่อเน้นหนักหนาก็คือความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมไม่ว่าท่านผู้ใด ทำงานที่ไหนเป็นวิศวสถาปนิกเป็นครูบาอาจารย์เป็นแพทย์เป็นหมอเป็นภาคสาอายการตำรวจทหารพระสงฆ์องค์เจ้าขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่นั่งอยู่ที่นี่นะทำงานอะไรก็ตามให้เป็นผู้รับผิดชอบในการในงานนั้ น, น, นตลอดถึงรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง ในคําพูดของตนเองอและ ก, ก่อนที่จะทำสิ่งนั้นลงไปคิดไตรตรองเหตุและผลว่าไม่กระทบกระเทือนกับผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นประโยชน์เราจะค่อยทำถึงมันจะกระทบกระเทือนเราก็ยอมรับว่ามันจะกระทบกระเทือนที่เรากระทำออกไปนี้แต่ว่ามันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมจากนั้นเอ เราก็ควรจะทำเพื่อจะให้ชุมชนสังคมทางว่าไม่มีใครกล้าดเชียเลยชุมชนสังคมนั้นก็หาความสงบรลมเย็นเป็นถูกไม่ได้คือแพ้คนเลวไม่กล้าพูดคนเลวเต็มบ้านเต็มเมืองคนดีไปหัวหดอยู่ในกระดองอันนี้ก็ไม่ถูกถ้าเห็นว่ามันดีมีประโยชน์ ควรจะแสดงออกในการกระทํานั้นการพูดนั้นการคิดนั้นอันนี้หลวงพ่อว่าหลวงพ่อกระโูกเสริมเหมือนกันในสิ่งที่ว่ามันเหมาะมันถูกต้องเ อ, อถึงจะกระทบกระเทือนไปบ้างก็ยังดีกว่าที่ไม่พูดไม่กล่าวอะไรเลยทำให้ความชั่วเสียหายคนพานเหยียบย่าทําลายจนป่นปี้ไปหมดจนจะมาแก้กันทีหลัง ก็เลยไม่กล้าที่จะไม่มีที่จะทำเพราะมันคนทานภาละชนเขาทำไปหมดแล้วเหยียบย่าทำลายไปหมดแล้วเพราะนั้นาการที่จะพูดสิ่งใดก็ตามถ้าว่าพูดเป็นมงคลถึงจะดูด่าว่ากก่าวก็เป็นมงคลถ้าหากว่าพูดที่ไม่เป็นมงคลแล้วถึงจะพูดลลพ ด, ดีขนาดไหนก็เป็นอัปมงคลเพราะาการพูดออกไปนั้น เป็นการพูดที่ไม่ดีทำให้คนอื่นเสียหายตนเองเสียหายประเทศชาติเสียหายเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายได้ช่วยกันคิดเหมือนกันเพราะอยู่ในโลกใบนี้มันต้องสิ่งที่ควรกล้าก็ต้องกล้าอย่างสิ่งที่ควรกลัวอย่ากล้าให้กลัวให้กลัวบาอย่าไปทำสิ่งความชั่วทั้งหลายทั้งปวงอันนั้นอย่าทาทาไปแล้วมันก็ไม่เป็นมงคล แต่สิ่งที่ดีแล้วกล้าทํากล้าพูดกล้าแสดงออกไปพอทําไปแล้วก็มีเป็นสิริเป็นมงคลสําหรับตนเองแต่าพาแลชนเขาไม่ชอบอันนั้นมันเป็นเรื่องของเขาเพราะว่าเขาไม่ได้พิจารณาให้ดีในเมื่อเขาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลดีแล้วเขาจะยอมรับเราทีหลังอันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะลูกหลานทุกองค์ที่เข้ามา ศึกษาในวัดของหลวงพอ่อให้ยึดมั่นในศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมให้หนักแน่นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้าศีลห้านี่นเป็นเรื่องคุณงามความดีของคลาวาสญาติโยมพวกเราจะออกไปสู่คลาวาสญาติโยมอันไหนคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุด หลวงพ่อถามว่าพวกเราถามยังไงสิ่งไหนพวกหลวงพ่อคิว่าดีที่สุดอยากจะให้พวกผมปฏิบัตินั้นคืออะไรหลวงพ่อก็จะบอกแนะนําำให้ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งนะเพราะพระพุทธเจ้ายึดพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแนละ้ว พ, พุทธเจ้าไม่เบียดเบียนใครพระพุทธเจ้ามีเมตตาพพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ฉลาดผู้เบิกบาน ไม่ได้คิดเบียดเบียนใครทั้งหมดมีแต่ให้คุณพอพระพุทธเจ้าเป็นผู้หมดจดจากกิเลสมีแต่คุณอย่างเดียวแล้วก็พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาดูแล้วเป็นนิยานกระทำนำผู้ประพฤติปฏิบัติมีแต่ไปสู่ความสุขความเจริญถ้าเราวิเคราะห์ดูในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพระโสดาสกทาคาอนาคาพระอระหันต์ล้วนแล้วจะเป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้มีเมตตาให้เรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรรนาเป็นที่พึ่งจากนั้นก็เรื่องศีลศีลห้าคือนํามาประพฤติธปฏิบัติก็คือศีลห้าที่พระพุทธเจ้าวางไว้สําหรับอุบาสกอุบาสิกาให้นํามาประพฤติธปฏิบัติศีลห้าประการก็ที่หลวงพ่อได้กล่าว ย้าแล้วย้าอีกปานาไม่ให้ฆ่าสัตว์ชีวิตเขาชีวิตเราเรารักชีวิตอย่างไรคนอื่นเขาก็รักชีวิตอย่างนั้นถ้าเราไปฆ่าเขาเขาอไม่เป็นผลดีเสียอกเสียใจเขามาฆ่าเราก็เช่นเดียวกันฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าลูกฆ่าหลานฆ่าวงศ์สางฆนายาดเราเราก็เสียใจในเมื่อเราไปฆ่าเขาเขาก็คงเสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่าน ดูแล้วว่าสินธาตุธารักษาดีแล้วทุกชุมชนทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกคณะถ้ารักษาดีแล้ ว, ม, กกล ม, ม, ลวมีแต่ความร่มเย็ยนเป็นสุกเพราะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเห็นใจเขาเห็นใจเราแต่ถ้าว่าเราเห็นคนอื่นเป็นผักเป็นปลาเป็นเบียร์่างเราหมดเราคนละมีนเป็นผู้มีอํานาจภาชนา เบียดเบียนเขาฆ่าเขาป่นเขาคดโกงเขาเยียบย่ำทำลายเขาแต่อีกสักวันหนึ่งในเมื่อเขามีอำนาจขึ้นมาตัวเองก็นั่นแหละหาอยู่หาที่อยู่ยากเหมือนกันเพราะเหตุไรผู้เวรเนี่ยมันไม่เราไม่ใช่ใชนะตลอดไปได้เมื่อไร่อีกสักวันหนึ่งเราอาจจะแพ้เขาก็ได้แต่ถ้าว่าผู้มีคุณธรรมในจิตใจแล้วต่างคนต่างมีธรรมในใจแล้ว ไม่มีใครที่จะเบียดเบีย น, นซึ่งกันและกันมองเห็นกันก็เห็นอกเห็นใจกันโลกทั้งโลกก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุกได้เพราะสินคุ้มครองสินหักคุ้มครองข้อที่หนึ่งอาทินนาทานการขโมยของเขาก็เหมือนกัน mm. ขโมยสิ่งของเขาเขาก็รักของเราก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสินแต่ละข้อละข้อที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ มีความหมายให้พวกเราฟังแล้วฟังอีกไตรตรองแล้วไตรตรองอีกอย่าเอาตนเข้าไปเป็นใหญ่ในศิลของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นเราจะทำอยู่ยังไงถ้าเราไม่ฆ่าสัตเราจะกินยังไงแปลว่าเอาตัวเองเข้าไปถ้าเขาว่าเอา้าถ้าผมไม่ฆ่าคุณผมจะกินอะไรเราจะให้เขาฆ่าไหมถ้าเราคิดใจเขาใจเราอย่างนั้นนั่นแหละศีลธรรมของพระพุทธเจ้า สูงส่งเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้มีเมตตาอย่างสูงส่งสูงสุดที่สุดที่เห็นคุณค่าของสินมีแต่คนใจตับคนใจมืดบอดคนอันธพาลเท่านั้นเองมองเห็นศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเป็นเรื่องอย่างอื่นเป็นของที่ไม่มีคุณค่ายกตัวเองขึ้นไปแล้วก็เยียบย่ําแต่ตามไม่จริงท้าว่าคนอื่ น, นเยียบย่ําเราเป็นยังไง ปานาทินากาเมมุสาสุราทั้งสี่ห้าข้อถ้าเราเห็นคุณค่าของศีลของพระพุทธเจ้าแล้วประพฤติธปฏิบัติตามความสงบพร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนสังคมต่อโลกอย่างมากเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะแที่จะออกไปสู่โลกหลวงพ่อขอฝากไว้กับพวกเราทุกท่านเรื่องศีลห้าเนี่ยแะรักษา อย่างน้อยก็ไม่ตลอดรอดฝัขก็วันเกิดของตนเองควรจะสมาทานศีลห้าถ้าว่าเรามีศีลติดตัวอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปศีลทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าเราไม่มีศีลเเลยความเดือดร้อนบุนวายใจของเราก็จะร้อนกระทมทุกอย่อย่างนั้นแล้วสิ่งที่ความชั่วทั้งหลายทั้งปวง มันจะทวีคูณขึ้นในจิตใจของเราเรื่อยๆเพราะเราไม่มีสินไม่มีฮิลิทคือความละอายโอตตะปะคือความกลัวต่อบาปก็ไม่มีคนที่มีไม่มีฮิลิทไม่มีโอตตะปะในจิตในใจแล้วสามารถที่จะทําความชั่วได้ทุกอย่างเอี่ย้าว่าอยู่ทั้งโลกทําถ้ามันท้าวว่าในที่แจ้ ง, งกลัวเขากลัวกฎหมายเขาถ้าอยู่ในที่ลับแปลว่าทําได้ทุกอย่าง ถ้าคนไม่มีฮิลิอตตะปะแต่ถ้าว่าคนที่มีฮิลิอตตะปาแล้วจะทําสิ่งใดก็ตามถึงรับถึงในที่รับก็ตามในที่แจ้งก็ตามถ้าเป็นความชั่วแล้วจะไม่ทําโดยเด็ดขาดเพราะทำลงไปแล้วมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความไม่สบายใจทําไปแล้วทําให้เขาเดือดร้อนถ้าเขามาทําให้แก่เราเราก็เดือดร้อนเราจะไปทําให้เขาทำใหม่ อันนี้คือคนมีธรรมในจิตใจมีฮิลิคือความละอายอตุตตระปาคือความกลัวต่อบาะเพราะฉะนั้นให้พระลูกหลานทุกองที่จะดํารงทรงาศาสนาต่อไปภายภาคหน้าก็ให้มีฮิลิคือความละอายแก่ใจอตุตตระปาคือความกลัวตวบาะมีทุกระดับเอจนถึงเอชํารอกกิเลสออกจากจิตใจเป็นพระหรหันธ์ทั้งหมดนั่นแหะที่นีอตัวนี้ก็หมดความหมายฮิริอุตตระปา พอทาของพระพุทธเจา้าทำชุดนั้นแปลว่าคุ้มครองทั้งหมดถ้าจะว่าไปแล้วมหาฮิลิมหาอุตตปะเหล่านั้นเต่แปลว่าสูงสุดที่สุดเห็นคุณค่าที่สุดที่จะไม่ทาความชั่วเสียหายไพรนั้นพวกเราทุกทุ ก, ท, กท่านนะและพร้อมกันก็ให้ล้ำลึกไว้อยู่เสมอ ชีวิตของพวกเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนอันนี้หลวงพ่อเตือนไว้เพราะว่าคนเราบางครั้งก็ลืมตัวก็คิดว่าเราเกิดมาอย่างไรเกิดมายัางไงตายไปยังไงอันไหนเกิดอันไหนตายตายแล้วสูงแล้วตายแล้วเกิดมันเป็นคำคาลาคขาชังแล้วว่าเป็นคำคิดอยู่ในจิตใจของมนุษยชาติมาแต่งน่มนาน ถ้าไม่ได้รับการศึกษาที่ดีถ้าเราได้รับการศึกษาที่ดีแล้วกับลงมือประพฤติปฏิบัติด้วยถ้ารับรับการศึกษาเพียงแค่นั้นยังไม่พอลงมือปฏิบัติด้วยถ้าลงมือปฏิบัติแล้วทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งความเชื่อมั่นในตนเองสิ่งเหล่านั้นจะหายทิ้งขาดออกจากจิตใจของเราทั้งหมดแต่ถ้าว่าพวกเรายังทําจิตใจให้สงบเป็นหนึ่งถึงอัปปนาสมาธิอย่างไม่ได้ ความสงสัยในจิตในใจของเรายังมีหลวงพ่อมั่นใจอย่างนั้นเพราะฉนั้นให้พวกเราทุกท่านนะให้ลงมือปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วความสิ้นสงสัยก็จะเกิดขึ้นอยู่ในใจในใจของพวกเราพวกเราจะหมดความสงสัยในใจเราเชื่อมั่นเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในพระสงฆ์พ่อแม่กูบาอาจารย์ที่ท่านพาประพฤติปฏิบัติมาเป็นของจริง เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอืง่นรู้ได้ด้วยตนเองในภาคปฏิบัติแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ปฏิบัติแล้วสงสัยนะธรรมะของบุทธลเจ้าสงสัยไม่ใช่สงสัยธรรมะสงสัยอย่างมากอีกต่างหากแต่ถ้าว่าพวกเราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วความสงสัยก็จะสิน้นความสงสัยอยู่ในใจของพวกเราพวกเราได้สัมผัสได้รู้ได้เห็นในเรื่อง ที่มันเกิดกับจิตใจของพวกเราเพราะนั้นให้พวกเราให้ประพฤติปฏิบัติอยู่นันสถานที่ใดถินดใดในพวกเราคิดไปอยู่เสม อ, อชีวิตของข้าไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้จะจากไปวันไหนเมื่อจากไปแล้วร่างกายของเราทางล่างกระดูกก็ยังเอาไปด้วยไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงยศถาบรรดาศักดิ์เงินคำทรัพสมบัติญาติพี่น้องพ่อแม่เพื่อนพูงเอาไปด้วยไม่ได้ทั้งนั้น กระดูกของเราก็ยังกองไว้ในเมนเขาไปกองไว้ไปเผาไปแต่ที่ไปออกจากร่างนั้นคืออะไรนั่นแหละให้เราศึกษาจุดนี้จุดที่ใจเนี่ยจะออกจากร่างในขณะนี้เรามีความรู้สึกนั่นแหละตัวนั้นแ่ะจะออกจากร่างนี้ไปแต่ส่วนร่างกายนั้นทิ้งในโลกไม่มีอะไรเหมือนกันทั้งหมด จุดถานบรรดาศักดิ์กล่ำรวยสูงส่งขนาเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าเออเประมือนกันทิ้งหมดธาตุขันธ์ร่างกายมีแต่พระพุทธเจ้าเป็นพุทธะเพราะอะไรเพราะใจของพระองค์เป็นพุทธะพระอรหันต์ที่ได้มีคุณธรรมหรือว่าสูงส่งขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะใจของพระ อ, องค์ท่านพระอรหันต์แต่ละองค์ท่านเป็นพระอรหันต์ใจของท่านเป็นพระอรหันต์ แต่พวกเราถามใจของท่านคืออะไรเนี่ยนี่แหละให้ศึกษาให้ศึกษาว่าใจของพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรใจของพระอรหันต์นั้นคืออะไรถ้าพวกเราศึกษาละใจของเรานั้นคืออะไรถ้าเห็นใจของตนเองจิตใจทำให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองใจของเราเป็นอย่างไงใจตัวนี้จะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะใจเป็นผู้พาไปส่วนร่างกายนั้น แตกสลายตายจู่ดินน้ำลมไฟไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาที่พวกเรามาศึกษาตั้งหลายเดือนหรือหลายปีมาศึกษาเรื่องใจให้พวกเราเข้าใจอย่างนั้นมาศึกษาเรื่องใจใจคิดเรื่องอะไรใจห่อเหี่ยวใจเศร้าหมองใจผ่องใสใจกิเลสลาคะโทสะโมหะอยู่ที่ใจทั้งนั้นเพราะนั้นให้ศึกษาเรื่องใจ ถ้าเราศึกษาเรื่องใจแล้วยิ่งกว่าศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์อะไรเงั้นเรื่องต่างๆเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงมันอยู่ในใจทั้งหมดเรื่องแง่มุมของกิเลสมันออกในแง่ไหนมุมไหนเลี่ยดเหลี่ยมไหนมันอยู่ในใจของเราเนะี่ะถ้าเรามีธรรมถ้าเรามีสติดีแล้วมีสติมั่นพอสมควรจ่อเข้ามาที่ใจเราจะเห็นใจ ความหลุกลิกของใจความคึกขนองของใจความเร็วของใจร้อยเลียพันเหลี่ยมของใจถ้าเรามีสติแล้วเราจะเห็นแต่เราไม่มีสติแล้วมันจะออกอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีเราก็มองไม่เห็นมันเผลอๆเราไม่รู้จะมองที่ไหนอีกเผื่อๆกิเลสมันยัง เตะส่งใจของเราออกไปนอกลูกนอกทางร้องโมร้องให้ก็ยังไม่รู้ว่าร้องให้เพราะอะไรทำไมใครเป็นคนพายร้องให้ยังไม่รู้อีกนะเพราะเหตุไร<ฮ><ฮ>เพราะเราไม่มีสติถ้าเรามีสติดีแล้วมองที่ใจดูที่ใจปรับปรุงที่ใจแก้ไขที่ใจใจของเรามีราคะมีโทสะโมหะโมหะคือตัววิชาคือตัวไม่รู้นะ นี่พระพุทธเจ้าที่ท่านชำระใจของท่านที่ทุกชำระใจพระองค์ที่ว่าบริสุทธิ์พุทโธเลยคือใจของพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์พุทโธไม่ใช่อื่นไกลนะพระอรหันต์ทั้งหลายที่เรากล่าวไหวสักการบูชาท่านฝึกใจของพระองค์ท่านแต่ละองค์ติ่เป็นพระอรหันต์ที่สําเร็จหมดจดจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงใจของท่านเป็นพระอรหันต์นะที่เราได้กล่าวเทิดทูลบูชา สุปฏิปันโนทั้งหลายแหละคือใจของท่านเป็นพระรหัสใจของท่านหมดจดจากกิเลสอย่างน้อยก็เบาบางพระอนาคาาเบาบางพระจักขาคามีเบาบางพระโสนาบันเบาบางแต่ก็ะขั้นต่ำไต่เติ้าขึ้นเรื่อยๆจะนอกนั้นลงมาแล้วไม่แน่นอนปุตชนทั้งหลายไม่แน่นอนพร้อมที่จะเกิดในภพภูมิต่างๆเป็นหมูหมากาไก่ได้ ถ้าต่ําลงมาจากพระสูตราบันแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทางนั้นแนวความคิดให้พวกเราได้ศึกษาที่เข้ามาบวชตั้งแต่หลว ง, งพ่อได้พูดตั้งแต่เลื่องงามยามดีไม่ควรพวกเราไม่ควรจะถือเลื่องงามยามดีอันนั้นเป็นของพรามณ์นะถ้าเราเป็นพุทธละ เราต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าว่าเราทำความชั่วแล้วจะได้ดีมาจากที่ไหนแต่เมื่อเราไปคดไปโกงไปป่นไปฆ่าไปตีเขาเขาเขาก็จับเขา้าคุกเข้าตลางจับคนจับคนชั่วเขา้าคุกแอมถ้าทำดีแล้วเขาจะจับทำไมเมื่อเราอ้างเหตุผลไม่เราไม่ได้ทำกรรมชั่วแล้วไม่เป็นที่แอบ เราแวงแคลงใจของเขาแล้วนี่แหละเพราะนั้นให้เชื่อกลัมเชื่อผลของกลัมจากนั้นก็ให้มาศึกษาเข้ามาศึกษาที่วัดหลวงพ่อให้เหมือนแับแมลงผูกแมลงพึ่งเอาเกสอนดอกไม้เอาของที่มีคุณค่ า, าไปประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเรา แะความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นแต่พวกเราเอาสิ่งที่มันไม่ดีตะกิดตะขวางในจิตในใจก็เอาไปอันนั้นแปลว่าเอาไปแปลว่าจ <c> ะ <oughs> เปรียบเทียบก็บเหมือนกับพึ่งงานแต่พึ่งงานที่มันโง่เอากิ่งไม้แห้งไปบำบุงรังของตนเองเีพราะนั้นพวกเราจะเป็นอย่าเป็นพึ่งพึ่งงานอที่มันโง่เอาพึ่งงานที่ฉลาดนะเอาสิ่งที่ดี ไปปรับปรุงกายวายใจาใจของพวกเราพอหลวงพ่อได้พูดให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังมีหลายรสหลายชาติมีหลายเรื่องหลายราวที่หลวงพ่อได้พูดหลวงพอมั่นใจว่าหลวงพ่อแนะนําทั้งหมดหลวงพอรับผิดชอบทุกคําพูดนว่าหลวงพ่อตั้งใจพูดอย่างนั้นว่าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาศึกษาตลอดถึงการแนะนําให้รู้จักศีลและธรรม ให้พวกเราท่านทั้งหลายให้มีศีลห้าอย่างศีลห้ามีคุณค่าอย่างไรหลวงพ่อได้พูดมากต่อมากในเอ็มพีสามเรื่องศีลห้าก่อการท้ายๆหลวงพ่อจะเน้นหนักเรื่องศีลห้าเพราะโลกทุกวันนี้ขาดศีลธรรมโลกที่เดือดร้อนวุ่นวายไม่ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะขาดศีลศีลธรรมคือศีลห้านะถ้าพวกเรามีศีลห้าแล้วศีลห้านั่นแหละจะคุ้มครอง พวกเราททั้งหลายทั่โลกธาตุทั่โลกมนุษย์ชาติจะร่มเย็นเป็นสุขเพราะสินคุ้มครองจากนั้นไทยและลึกถึงคุณงามความดีให้ระลึกสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจชีวิตของพวกเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนให้ระลึกไว้อยู่เสมอถ้าคนระลึกถึงว่าชีวิตของเราไม่เที่ยงแท้น่นอนเราก็ประกอบคุณงามความดี เมื่อเราสังสมคุณงามความดีคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของเราแล้วนั่นแหละท่นี้คือสรุปแล้วก็คือให้ศึกษาที่ใจดูที่ใจใจของเราเนี่ยแหละที่เป็นพระพุทธเจ้าก็คือใจพระอรหันต์ก็คือใจพวกเราให้ศึกษาที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้านี่แหละหลักของพุทธศาสนาที่พวกเราเข้ามาศึกษาตั้งแต่เบื้องตน้นจนถึง วันนี้แล้วก็จะศึกษาต่อไปภายภาคหน้าในหลักของพุทธศาสนาพุทธศาสนาให้ศึกษาเรื่องใจนะให้พวกเรายิดจุดนี้ให้ได้ใจก็คือนํมามทธรรมที่มองไม่เห็นในร่างกายเรามีอยู่สองกายกับใจเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะวันนี้เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปคิดพิจารณาไตรตรองเหตุลผลที่หลวงพ่อได้กล่าว แล้ววันพรุ่งนี้ก็ปฏิบัติอย่างที่หรวพ่อได้พูดนั่ะ น, นะจากนั้นทานอาหข้าหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพอะกลับไปบ้านนะครก็กราบพ่อกราบแม่ก่อนนะอะพอเด็กกากพ่อแม่มากราบตักพ่อแม่เป็นที่อุณนบุบปนใจจากนั้นเราก็ตั้งจิตอธิษฐานในจิตในใจข้าไปจาบทมาในครั้งนี้ ด้วยความตั้ง อ, อกตั้งใจวดนอนผ่อนอาหารบำเพ็ญทานศีลภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาจิตตภาวนาล้มลุกคลุกค ล, ลานสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีขอบุญที่เกิดจากการทําคุณงามความดีในครั้งนี้ถวายต่อในหลวงพระองค์อายุแ80ดสิบพรรษาพระบรมราชินีพระบรมวงศสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ ที่คุ้ครองประเทศชาติบ้านเมืองตลอดถึงเทพเจ้าเหล่าเทวาทางหลายตลอดถึงคุณพ่อคุณแม่ปูย่ย่าตายายบงสาคณะญาติญาติมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวญเจ้ากรรมนายเวญทําไมเราจึงอุทิศให้เขาเจ้ากรรมนายเวญกว่อนที่จะเป็นเจ้ากรรมนายเวญนั้นเราไปทําให้แข่เขาก่อนเขาจึงจองเวญแก่เราเพราะนั้นเราก็เห็นว่าเมื่อเราได้สร้างบุญสร้างศูนย์ ข้าพเจ้าขอโทษแทนเน้อข้าพเจ้ายอมรับผิดแล้วขอท่านทั้งหลายอย่าจองเวนจองกรรมกับข้าพเจ้าอีกข้าพเจ้ายินดีให้อภัยนี่เพราะว่าอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวนด้วยจะให้มีเวนมีภัยต่อกันนี่แหละให้พวกเราอุทิศส่วนกุศลอย่างนั้นนะก่อนที่พวกเราลาสิกขาใ น, ะ น, ะ น, ะนะคืนนี้ ก่อนับก่อนนอนไหว้พระส ว, มวดมนต์กุฏิสวดกุฏิอย่างที่หลวงพ่อว่าะแล้วก็พวกเราจะมีแต่ประสบแต่ความสุขความเย็นใจแล้วก็ปาฏถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความทุกโศกโรคภัยทั้งหลายอย่าได้แพลวผ่านนะแล้วก็ให้ ดวงตาเห็นธรรมในที่สุดนะด ว, วงตาดนะวงพ่อถึงจะมีความสุขอย่างไรนะถ้าว่ายังไม่หมดกิเลสดวงพ่อวอมมันยังทุกข์อยู่ถ้าว่าดวงตาเห็นธรรมได้เป็นพระหันเมื่อไหรเมื่อนั้นแหละสิ้นสิ้นทุกข์กว่างั้นที่พระพุทธเจ้าท่านพาไปท่านบอกว่าโลกทรกวันมันเป็นอย่างงั้นเป็นเพราะเหตุอะไรเพราะมาเกิดอตัวหังเกิดมันก็เจออย่างเนี้ ถ้าว่าไม่มาเกิดเข้าสู่นิพพานจบเรื่องทั้งหลายทั้งปวงก่อนที่จะจะไม่มาเกิดเพราะอะไรเพราะดวงตาเห็นธรรมมองเห็นแล้วสิ่งที่มันไม่พึงปรารถนาจะมาเกิดทำไมรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ปล่อยวางจิตใจถอนออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นพระอรหันต์จบนะอันนี้นะ่ะอยากจะให้พวกเราถึงจุดนั้นไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกนะนะการพูดการแสดงธรรม ดวการแนะนำสั่งสอนก็เห็นว่าพอเหมาะพอจบเพียงเท่านี้